คำสวดว่ามีโภมทั้ง3มีกำหนดทั้ง4มีขัน5ขันมีขัน4ขันมีขันหนึ่งขันหมายความว่ายัางไงความรู้สึกตัวหรือว่าการฝึกสติประถานจนว่องไวมีสมาธิมีปัญญาเรเห็นพวกโูมเหล่านี้แหละมันมีมนุษย์ มมนุษย์นี่มีสุขมีทุกข์แล้วก็มีทางสว่างมีคำสอนของพระพุทธองค์อยู่ในโลกมนุษย์จนอยู่นสุขนืทุกข์ได้มีอบายภูมิอันนี้ก็คือมีแต่ความทุกข์เป็นภูมิต่ำตั้งแต่จัตติยานิชานจันตลกอสุรกายพวกนี้ เป็นแดนต่ำเปลดเป็นแดนต่ำเทียวภูมิสุขติภูมิทำบนทำทานมีความสุขอันนี้คือภูมิทั้งสามกำเนัดทั้งสี่การอุบัติขึ้นมาปฏิสนธิขึ้นมาเนะกิดจากจลาพุชะ สังเสริฐชะโอปปติกะอันติช้าอันติช้าคือเกิดในไข่ไข่โอปปะติกะคือผุดคิดขึ้นมาชลาพุชชะชลาคือน้ำเกิดในน้ำเมือกน้ำหมุดน้ำหมักน้ำเ น, น่าต่างๆสังเสริฐชะ ก็เป็นอาการที่มันเกิดขึ้นมาลักษณะของออปปาติกะก็พุดเกิดขึ้นมานมันจึงเป็นเรื่องของกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันก็คือมนุษย์น่แหละมีรูปมีนามมีขันห้ามีสี่ขันก็คือพวกคิดเก่ง คิดแล้วก็เป็นความดีคิดแล้วก็เป็นความชั่วต่างๆมันผุดเกิดขึ้นมาตายก็ไม่มีซากอุบาติเทพต่างๆภายในจิตในใจมันแสดงออกการคิดการปรุงการแต่งการนึกการคิดการปรุงการแต่งตายไปไม่มีซากไม่ต้องเผาอันนี้แหละเป็นเรื่องของ การผุดเกิดขึ้นมาโอภาธิกะสังเกตถ้าจิตเป็นลนักษณะของสัมเวสีผุดเกิดขึ้นมาจะเล่ลอนท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มคนเป็นโลภปาะสาทตอกย้ำย้ำคิดย้ำทำหมกมุนบกวนคิดแล้วก็มัวเลาะคิดแล้วก็ร้องไห้เป็นความคิดเป็นความปรุงแต่งต่างๆ เห็นแล้วก็พอใจเห็นแล้วก็ไม่พอใจคือปรุงแต่งรู้วเห็นแล้วก็เฉยๆอันนี้ก็เหมือนกันตัวเฉยๆก็เป็นการปรุงแต่งเป็นอาสุขอาทุก์เวทนาก็คือมันไม่ใช่สุขแล้วก็ไม่ใช่ทุกมันก็เป็นลนักษณะของขันสี่ขันจ น, นขันหนึ่งขันท่องเที่ยวเก่งตัวนี้ก็คือเป็นความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจลุลนเลย ความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็พาเรานะหลุดโลกนะไม่ได้อยู่ในโลกความเป็นจริงนะไม่ได้คิดอย่างมีสติเป็นกระบวนการของโยนิโสมัจิการก็คือการทํำใจให้แยกกายแนละ้วคิดโดยหลักนะคิดเป็นลําดับคิดเป็นขั้นเป็นตอนนะของวิธีคิดของวิชาการต่างๆ มันก็ถึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาแล้วก็ศึกษาผ่านกายผ่านใจของเราในลนะการรู้สึกตัวแต่ละขณะนะความรู้สึกตัวที่มันเกิดขึ้นมานะมันก็จะแดงผลนะเห็นสิ่งที่ปรากฏนะแต่ละขณะใดเพราะความคิดนะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นว่าปกติแล้วเนะี่ยมันคือความไม่ปกติของบุคชน นึกว่าไม่ได้คิดนึกว่าไม่ได้ทุกคิดว่าไม่ทุกแต่ว่ามันมีความทุกเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยสมัยพุทธกาลจะมีคนบอกว่าก็าบอกมีภิกษุณีได้พูดว่ามีแต่ทุกท่านนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหรือจากนี้ไม่มีในโลกนี้ กนีต่ทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันก็จริงถ้าหลงเผลอเข้าไปในอาการต่างๆคือทุกทั้งหมดเลยมีตัณหามีประธานตัณหาความทยานอยากออกไปมีประธานเข้าไปยึดแม้กระทั่งปฏิบัติธรรมเหมือนกันยึดรูปแบบยึดวัดวารามยึดครูบาอาจารย์มันเป็นตัวยึดหรือว่ายึด ถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็เป็นตัวยึดแต่เป็นการยึดที่ทําให้เกิดความเจริญกับความยึดที่ทําให้เกิดความเสื่อมมันมีอยู่ยึดหรือว่าถือยึดเพื่อที่จะกาะเอาไว้นะเมืนอไงจิตมันก็จะไหลไปตามกระแสความคิดนี่มันเป็นการไหลสู่ความเสื่อมมันเป็นลนักษณะของการเกิดขึ้นสืบเนื่องเขาเรียกว่าสันติ สันติจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดาบเกิดดับทีเย็บเลยเวลาเร า, รร า, ารนั่งสร้างความรู้สึกตัวนันะ่งสร้างจังว่าเราเห็นความคิดนี่ห้ามไม่ได้นะห้ามไม่คิดนี่ยห้ามไม่ได้หลวงปู่เทียนจิตตโพจึงบอกว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมจะไปห้ามความคิดนะไปถามเลยว่าคิดทําไมทําไมต้องต้องคิดด้วยนะเพราะอันนั้นก็คือตัวคิดนั่นแหละ หรือว่าทำไมไม่คิดเลยนะดีจังเลยไม่คิดเลยอันนี้ก็คือตัวคิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นให้รู้เท่ารู้ทันนะความรู้สึกตัวเป็นหลักไว้ก่อนใหม่ๆอย่าเพิ่งไปยุ่งกับความคิดทั้งหมดนะเพราะความคิดเนี่ยมันเป็นนามรูปนะและมีความละเอียดกว่ารูปนามการที่ฝึกสติจะต้องรู้จักว่าอ๋ออันนี้คือตัวสติรู้รูปนามมันมีตัวรู้ตัวหนึ่งกับสิ่งที่ถูกรู้ตัวหนึ่ง ปรจําสภาวะนี้ได้จับสภาวะนี้ได้ปั๊บมันก็จะเห็นว่าตัวรู้ไปรู้เท่ารู้ทันความคิดเองขณะที่คิดไปบางทีเกือบจบแล้วมันรู้ทันไม่ไหวเป็นอย่างนั้นละมันไม่รู้ที่อยู่ของตัวสติมันไม่รู้ความเป็นปกติแต่และมันก็จะทําแบบกระโดดไปกระโดดมาพอรู้สึกที่ตัวเนี่ยมันก็จมแช่อยู่ความรู้สึกที่ตัวที่กาย แต่พอคิดคิดมามันก็จะเผลอเข้าไปไปแนบแน่นอยู่ตัวคิดอย่างเงี้ยกระโดดไปแล้วก็กระโดดมากระโดดไปกระโดดกลับอันนี้ก็คือตัวสมถานนั่นเองไม่ใช่หมายถึงว่ามันผิดอันนี้พอเรามีสติว่องไบมากขึ้นมันก็จะเห็นความคิดกลางๆบ้างต้นๆของเรื่องบ้างเริ่มทิมก็เห็นว่าจิตปกติก่อนคิดเนี่ยมันเป็นยังไง คมคิดขึนมามก็เพิ่มไปยังไงแต่ยังไม่รู้ว่าเรื่องราวของการคิดมันคืออะไรมันก็จะเห็นเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลําดับของปัญญาวิปัสนาญาณเนีเบื้องต้นก็คือมันเห็นรูปเห็นนามก่อนเห็นรูปเห็นนามเห็นสิ่งที่ถูกรู้หยาบหยาบคือตัวกายแล้วครความเป็นปกติในขณะที่รู้สึกที่กายต่อมาก็คือมันเริ่มเห็นจิตที่มันว่าไป ขณะที่เอาจากฐานของกรรมฐานเนี่ยไปทางตาไปทางหูทางจมูกทางลิ้นแล้วก็โยมไปหาการคิดการปรุงกันแต่งเป็นอารมณ์ตีกลับมาเป็นความพอใจไม่พอใจสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นมามันก็จะเห็นนะอ๋อมันมันคืบคานไปด้วยความว่องไวนมันออกจากฐานไปด้วยความว่องไวด้วยความชํานาญเป็นจริตนิสัยอุปนิสัยอย่างเงี้ยมันก็เห็นละอืม อาการว้าไปของจิตมันมีอยูนะ่มีสติเห็นจิตอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีจิตนะที่มันดูจิตยอยู่ด้วยบางทีเราเดินจงกรมที่นั่งสร้างจังหวะที่นั่งดูลมหายใจนะหรือบางทีเราจะทำอะไรก็ตามที่เรียกว่าเป็นการปฏิยธรรมไปด้วยเรเห็นจิตที่มันไข้ครวนนะจิตตัวหนึ่งมันก็บอกมาอันนีนะ้เป็นความไม่ดีอันนี้เป็นความดีนะ อันนี้ทําได้อีกอันนี้อย่าทำํำอันนี้อย่าทำํำขอให้ครั้งเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการคุยกันเองระหว่างจิตกับจิตแล้วมีจิตดูจิตอยู่มันจะมีกรอบของความดีความงามจรยิยธรรมจริยธรรมทำมาเป็นการเทียบเคียงมีนิตินัยมีวินัยต่างๆกติกาของชุมชนเข้ามาเทียบเคียงคือจิตดูจิตอยู่ สติดูจิตก็หมายถึงว่ามันเป็นลนักษณะของประวัติสภาวะมันเห็นจิตเป็นอาการเป็นอาการเกิดดับที่ที่ยิบเลยอันนี้แหละถึงเห็นลนักษณะของภพภูมิชาติกำเนิดต่างเป็นภวาสวะเป็นกามสวะเป็นอวิชาสวะพวกนี้มันเกิดขึ้นในจิตของเราเวลาหลงเผลอเข้าไป มันเป็นความคิดแม้เล็ก ๆ, ๆน้อยๆแต่ว่าถ้ามีสติว่องไวมันก็รู้เท่ารู้ทั น, นก็ว่าสติมันสามารถเห็นสติได้นะมันก็รู้ที่อยู่ได้อย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีอารมณ์ต่างๆตละลัตะลวงเข้ามาแล้วเราก็ไม่เข้าใจถูกยึดโดดจมก็ไปเป็นอุปทานเป็นกับดักของกิเลสอย่างเงี้ย บางทีเราก็ตัดสินใจเหมือนกันที่จะนะเคลื่อนไหวรู้สึกเก็บอารมณ์เราก็ได้เห็นว่ามีกระบวนการหนึง่งเหมือนกับว่าเรามีความทุกข์อยู่นะเราหยุดภายใต้ล่มไม้มันก็เย็นสบายแต่ว่าฝนมันตกคราวนี้ฝนมันตกเราก็รู้ว่ามันจะมีฟ้าผ่าผู้รู้ก็บอกว่านักวิทยศาศาสตร์เขบอกว่าการอยู่ภายใต้ต้นไม้ใหญ่ เดี๋ยวฟ้าผ่านสายฟ้ามเป็นสายฟ้าแรงสูงนับหมื่นนับแสนบนนับล้านบนมันก็จะทำให้เราถึงแก่กรรมหรือเสียชีวิตได้เราก็วิ่งอย่างรวดเร็วตัวนี้คือกระบวนการที่เปียกปอนนะเรา อ, อาจะรื้นล้มได้รับอันตรายอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องทำแล้วก็วิ่ง ด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะเพื่อที่จะอยู่ในบ้านหนะรือว่าปราสาทนะที่มีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าตัวปฏิบัติเหมือนเป็นอย่างนั้นนะขณะเราเคลื่อนมือเดินจงกรมนะมันจะมนะีอารมณ์ที่รอเราอยู่เช่นวิปัสสนูมันไม่ใช่วิปัสนาจินตยานก็คือการเกิดจินตนาการต่างๆคิดรู้เียมันจะเกิดขึ้นมา หรือแม้กระทั่งอารมณ์วิปลาดนะมันจะเกิดขึ้นมาขณะปฏิบัตนะิอารมณ์วิปลาดก็หมายถึงอารมณ์นะที่มันเข้าไปติดแนบแน่นนะในความรู้ต่างๆจนกระทั่งมันหลงเข้าไปนะแสดงออกนะถึงการปรุงการแต่งในความคิดนะที่เราไม่รู้อันนั้นคือตัววิปลาดนะทําอะไรต่างๆมากมายพิมพ์ไม่ิทงกกาลาเทสะโนะมกตานาอัตฐานะต่างๆนะ ตัววิปนะัปปสสนานะเป็นอารมณ์ต้นๆของการปฏิบัติเรียกว่าดรรุนีของวิปัสสนาญาณ น, นะทุกคนต้องเจอทุกคนต้องเจอขณะปฏิบัตนะิเป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าจะเกิดมากเกิดน้อยนะมันเป็นลักณะของบทเรียนที่ดีนะมา ก, ก็ดีน้อยก็ดีนะไม่ต้องน่ากลัวนะอะโรยิปัสสนาต่างๆ แต่ว่าบางทีก็มาตัองพูดก็ไดนะ้ให้เข้าถึงความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวอย่างเดียวไปเรื่อยๆนะโดยที่ไม่ต้องรู้จักภาษาหรือชื่อนะที่เป็นภาษาคนไว้พูดกันนะมันก็จะเป็นอาการลุกเทียนนี่ดีนะก็อารมมิปสนุขึ้นมาแต่ว่าพอไปอาบน้ําปับ๊บก็หายไปเลยนะตอนช่วงเย็นเราก็ไปเห็นความคิดตัวเองอ๋อ ความคิดตัวเองเป็นอย่างนี้อย่างงี้นะสมัยสานการคิดเกิดตรงนี้อย่างเงี้ยมันก็จะเห็นได้ก็เรียกว่านามรูปริเจตยานนามรูปริเจตยานก็คือมันเกิดยานขึ้นมาเป็นความมองไวนะัยนที่จะรู้เท่ารู้ทันความคิดนะซึ่งเป็นนามรูปนะตรงนี้หลําคือชัยชนะแล้วก็เป็นบทนะเริ่มต้นของวิปัสสนาญาณอย่างแท้จริง มันก็จะเห็นวัตถุอาการปรมัตดอารมณ์ต่างๆก็เป็นวัตถุเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นลนักษณะของน้ำแต่เป็นรูปอยู่ภายในยกตัวอย่างเช่นว่าเรานึกถึงร่องรอยความสําเร็จอย่างเงี้ยนะอดีตผ่านมาแล้วอย่างเงี้ยเราก็สามารถนั่งยิ้มได้แล้วขนลุกขนพองจิตใจอิ่มอกอิ่มใจปลืม้มอกปลื้มใจมีลักษณะของ สราบซ่านคนลูกขนพองแล้วเนะี่ยมันผ่านมาแล้วแต่ว่าเราสามารถที่จะลึกนะปฏิยามันเหมือนกับเกิดขึ้นจริงๆนะี่ก็คือแล้วะของจิตนะที่มันสามารถคิดมันปรุงมันแต่งนะมันก็ถูกรู้เท่ารู้ทันนะอันนี้เราก็รู้เลยว่ามันเป็นตัวของอารวาะนะิปัสสนูปิติจึงเป็นตัวอารมณ์ของวิปัสสนนะถ้าเป็นวิปัสนาคือมันจะออกมาจากปิติเห็นปิฏินะ จนกระทั่งรู้ร่องลอยว่าปิติสมมิฐานของพิติมันเกิดอย่างไร mm. วิธีคิดนะทำให้เกิดตัวปิติขึ้นมาคราวนี้พอเรารู้ซ้ำๆว่าลหัหษณะของปิติมันเกิดจากการคิดนะีมันจะไม่ได้รู้สมมติฐานของการคิดจําจะรู้ว่าอารมณ์พิติอยู่ตรงนี้ปิติอยู่ตรงนี้เป็นความสงบอยู่ตรงนี้ความสงบหมายถึงปัสสติมีปิติปั๊บมันก็จะเกิดปัสสติขึ้นมาซ้อน มันก็จะอยู่ได้สบายนะโดพระวิธีการหลวงปู่เตียนนะบอกว่าให้เปิดตาธรรทำพอเรานั่งหลับตาทำเนะี่ยมันก็จะติดตัวนี้แหละคือตัวพิติคือตัวความสงบนะตัวเบาที่ก็ลอยบางทีก็ขนลุกขนพองซาบซ่านมีความสุขนะทุกครั้งมันก็อยากทําอะไรมันก็อยากจะนั่งสงบอยากจะหลบอนะไรเงี้ยเราก็ได้เห็นอ๋อ มันเป็นธระหี่ของวิปัสนาญาณอย่างนี้นี่เองไม่ใช่หมายถึงว่าผิดแต่ว่าหมายถึงว่านี่คือประสบการณ์ที่จะต้องผ่านเดินผ่านตลอดวิธีเดินผ่านก็คือลักษณะของการประคับประคองนะเบื้องต้นต้องมีการประคับประคองเป็นองค์ความเพียรนะไม่แตะซ้ายนะไม่แตะขวาก็หมายถึงว่าทุก์เราก็ต้องผ่านนะคิดเป็นบาปในอดีตก็ต้องผ่านคิดเป็นบาปในปัจจุบันก็ต้องผ่าน คิดเป็นบาปอาคติในอนาคตเราก็ต้องผ่านนะมันเป็นลักษณะของตัวละเอียดนะเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตนะแต่ว่าละเอียดขนาดไหนก็ตามเราก็สามารถรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะเพราะว่าองค์ภาวนาผายเราจเจริญสติแล้วสติก็จเจริญขึ้นมาเหนะมือนกับเราหาเงินหาทองสะสมเก็บรักษาดีนะมันก็ มากมายขึ้นมามหาศายขึมาเป็นมหาเสรษฐีสติก็เช่นกันนะมันก็จะเป็นมหาสตินะเราก็รู้อยู่กัการเคลื่อนไหวนี่แหละนะกายจะเป็นตัวแก้อารมณ์ที่ดีนะเพื่อการติดในกายนี่มันไม่น้าหวาดกลัวหรืออันตรายาก็ติดอยู่ในจิตนะมายาของจิตเนะี่ยอันนี้มันมันอันตรายกว่ามาก เวลาคนก็หลงเข้าไปจนกระทั่งจิตวิปลาสเนี่ยจนเข้าโรงพยาบาลสีสัญญาสวนปรงโรงพยาบาลสมเด็จโรงพยาบาลอื่นๆมากมายทั่วประเทศนะเนื่องจากจิตที่มันกลับมารู้สึกตัวไม่เป็นเพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยว่าทุกเนี่ยทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นกลไกนะเป็นกฎของกรรมฐานนะที่ช่วยเหลือดูแลแล้วก็ปกป้องคุ้มครองนะให้นักกรรมฐานเนี่ย เดินทางนะด้วยความถูกต้องและตรงสามารถแก้ลงของตนได้นะเป็นครูของตัวเองไดนะ้ไม่ต้องอิงอาศัยและอพึ่งผู้อื่นมากหลวงพ่อเทียนท่านก็ชี้นำไวนะ้ครูบาอาจารย์ต่างๆชี้นำไวนะ้ถ้าเราสามารถที่จะฝึกสติจนกระทั่งเหมือนกับว่า ม, นะนะมีสติเห็นจนะิตมีสติเห็นตัวคิด รู้ว่าคิดแล้วก็สามารถถอนตัวเองออกมาได้ตรงนี้ก็นั่นหมายถึงเป็นตัวของวิปัสสนาที่กำลังเจริญสติแล้วก็มีผลให้เราได้เหมือนกับว่าเกิดศรัทธาความเชื่อด้วยปัญญาไม่หลงติดหลงทางไม่มีใครหลอกเราแล้วเราก็ไม่ได้หลอกตัวเองเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกตัวที่ไม่มีใครหลอกเราได้นี่แหละคือสจัจจะ นี่แหละคือความจริงนะที่มันไม่เปลี่ยนแปลงอยู่กับใครก็เป็นของคนคนนั้นนะเป็นทรัพย์ของคนคนนั้นนะเป็นมนุษย์สมบัตนะิถ้าเรามีกรามดีมันก็ดี ม, ดมีกวามชั่วมันก็ชั่วเป็นสมบัติของมนุษยนะ์แต่ถ้ามีชั่วอย่างเดียวไม่มีดีเลยอันนี้เป็นลักษณะของทุกติภูมิก็เป็นสมบัตนะิของคนที่อยู่ภูมิต่ำนะํำเป็นคนจริงๆก็คือหมกมุ่นอะไรก็เอาหมดนะ ป็นลกษณของไม่รู้จักที่จะไต่ขึ้นมาสู่วิปัสนาไม่รู้จักที่จะไต่ขึ้นมาสู่ความพ้นทุกข์อย่างงี้นะอีกอันก็คือเป็นลักษณะของของอะไรล่ะเมื่อกี้พูดถึงมนุษย์สมบัติพูดถึงทุกขติภูมนะิอันนี้เราก็สามารถที่จะทําดีเป็นสวรรค์สมบัติอีกอันก็คือเป็นลักษณะของนิพพานสมบัติ นิพพานสมบัติเนี่ยเป็นลักษณะของความเป็นปกตินะที่อยู่เหนือภูมิทั้งปวงเงี้ยความเป็นปกติแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะมันเกิดขึ้นนะแต่หากว่าเรามีสติสติมันมีอยู่แล้วนะแต่ว่าเป็นสติผัสฐานแล้วก็มีความว่องไวเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าไม่หลงทิศิลงทางนะสมถานี่มันทําให้เกิดความรู้ใต้โมหะหลวงปู่เทียนท่านเปรียบว่าเหมือนกับ น้ำแข็งมันมีความเย็นความเย็นของน้ำแข็งเนี่ยพอโดนแสงพระอาทิตย์น่ยหรือว่าตามหลักของวิทยาศาสตร์มันไม่ต้องโดนแสงพระอาทิตย์ก็ได้ระวางอยู่เฉยๆมันก็ละลายแล้วอยู่ในร่มนี่แหละอันนี้ก็เป็นลนักษณะของตัวสมถะมีหลายวิธีมากสี่สวิธีที่วิธีฝึกจิตให้อยู่ในกรอบในกฎ แตามันไม่เกิดปัญญาเชเรานั่งแล้วก็เพ่งจ้องไปจุดใดจุดหนึ่งคิดดีทดําดีมีเมตตาเนี่ก็เป็นสมถะเหมือนกันอัปปมัญญาสี่หรือว่าเมื่อวานพูดถึงกรสินกระสินนี่ก็เป็นสมถะหรือว่าสังเกตเรื่องธาตุธาตุสี่ต่างๆธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมอันนี้ก็เป็นสมถะเหมือนกัน ธาตุน้ำเป็นยังไงนะคิดพิจารณาธาตุดินเป็นยังไงคิดพิจารณาธาตุลมเป็นยังไงคิดพิจารณาอย่างงี้นะหรือว่าเราเอาคำสักคํานึ่งเช่นน้โมเลยนะเอามาแปลในความหมายโดยการคิดพิจารณาน้โมคือน้ำอย่างงีนะ้นะนคือน้ําโมคือดินนย่านะ้อ๋นคืออ่อน โมคือแข็งอ้อนาคือแม่โมคือพ่ออ้อมันอ้อในความคิดนะนะนาคือหินโมคือหยางถ้าเป็นภาษาจีนอ้อเราก็น้อมเข้ามาใส่ตนนะโมขอนอบน้อมมันมีคำพูดมากมายนะแต่ว่าเราก็ต้องไปดูจากฐานข้อมูล ก็เรียกว่าพระโตโคสักพระโตโคสาก็หมายถึงว่าได้ยินได้ฟังมาหรือว่าได้อ่านจากตำรักตำลาที่ผู้รู้ท่านไดนะ้ทิ้งไว้เป็นมรดกเราก็มาเทียบเคียงโดยวิธีคิดอีกเหมือนกันจินตาวิญญาอย่างเ ง, ง, งี้ยเราก็ได้เห็นอ๋อมันเป็นสัมถ า, านะเนี่ยมันยังอยู่ในความคิดอยู่คิดมันเหมือนกับใช่แต่มันไม่ใช่อย่างเ ง, งี้ยแต่พอเรามาสัมผัสรู้สึกโอ้ยนี่มันแข็งแข็งเนี มันเลยนะมันไม่ได้มีคำพูดแบบเป็นภาษาแล้วมันเห็นด้วยว่าเวลาเราคิดเนี่ยอย่างตอนเนี้ยนะเวลาคิดแล้วพูดมันก็จะเห็นว่าอ้ความคิดเนี่ยเดือดเดือดเอดเดตรงเนี้ยแล้วมันเค้นน่ยนะมันเบียมันเค้นมันเค้นเป็นความรู้สึกเนยอยู่ภายในของกายมันมีภาษาไหลมาแล้วเราก็ หยุแล้วก็หยิบมาแล้วก็พูดนะร่างกายก็ก็เต็มทีแล้วนะเต็มทีแล้วก็คือมันหลายวันที่อด อ, อาหารมาเมื่อวานทั้งวันอาหารได้น้าน้ํานิดหนึ่งแล้วก็ได้ผลไมห้หน่อยนึงครัน้นี้น้ำก็ก็งดงดมานานแล้วมันก็แห้งอันนี้เป็นอาการตรงๆเลย ว่าเราดูดูแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เรารู้เหตุว่ามันคืออะไรแล้วผลเป็นอย่างนี้เราจะต้องเดี๋สักพักหนึ่งอย่างเงี้ยค่อยเอามาใส่ให้เขาอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ตามความเป็นจริงในเหการที่มันกำลังปรากฏเงี้ยทั้งนามธรรมทั้งรูปธรรมมาแสดงออกทันทีอย่างเงี้ยเราก็ได้ใช้ทําหน้าที่เป็นบุญบุญกระบาถึงว่าถ้าจิตใจยังมีความสุขประยึดความสุขอยู่ หรือว่าถ้ามีความสุขอยู่รู้ว่ามันเป็นบุญอยู่เงี้ยเป็นวิปัสสนาทั้งหมดเลยรู้ว่าอ๋อไอ้ที่คำพูดของเราเนะี่ยมันไม่ใช่พูดโกหกนะแต่มาจากฐานของตัวปฏิบัติอย่างเงี้ยมันก็จิตเป็นกุศลขึ้นมาเป็นความฉลาดขึ้นมาได้ทบทวนตัวเองอย่างเงี้ยเห็นร่องเห็นรอยมันจะเป็นกระบวนการวิปัสสนาได้ทั้งหมดอย่างเงี้ยผู้ฟังกระบวนการผู้ฟังก็มีเสียงเสียงมันเป็นพลังงานเป็นเดซิเบลมันก็แทกที่หูอย่างเงี้ยนะหูไม่เยื่อนะ มีระบบประสาทมีแก้วหูกนิบแสงแออภไปเสียงมันเป็นพลังแล้วมากระทบนะที่หูมันก็เกิดพลังงานขึไไ้นมาเราก็รู้สึกตรงนั้นนะนเป็นคลื่นเกิดดับเกิดดาบเกิดดาบอยู่มันเป็นวิปัสสนานะมีแสงก็ตามมีแสงแล้วเปิดตามองเราก็จะเห็นว่าลักษณะของจิตหลานนั่นออกไปเริ่มันกําลังมีตัวเองอยู่แล้วก็ดูอยู่อย่างนี้ ภาวะของจิตเป็นปกติอยู่เฉยๆแต่ครับมีความรู้ในสิ่งที่ดูไงรู้ว่ามันเป็นวัตถุอาการเป็นกิริยาไงมันเคลื่อนไหวมันจึงเห็นเป็นธาตุดินเห็นเป็นธาตุน้ําจะจะสัมผัสได้ทันทีเห็นเป็นธาตุไฟนะครนี้อากาศเย็นลงมีความเย็นความร้อนมันไม่มีอันนี้ก็คือธาตุไฟ ธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลมลมมีลมหายใจหรือว่าตากระพริบลักษณะของลมบันดันตาอย่างเงี้ยหรือว่าเคลื่อนมือยกมือไปยกมือมาเป็นธาตุลมลมหายใจท้องกำลังกระเพื่อมยกเข้าหรือว่ามันออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะของธาตุลมที่เราสามารถที่จะรู้ได้ แต่ว่าไม่ได้ใช้ความคิดใช้การสัมผัสตรงๆลงไปเป็นวิปัสนาเพราะฉะนั้นสมถะก็สามารถทุกข์ยกผูกยกให้เป็นวิปัสนาทันทีมันก็จะเป็นความสงบอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นความสงบที่เกิดจากไม่คิดไม่ปรงุงไม่แต่งหรือว่าความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเรารู้เท่ารู้ทันการปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นมาเรารู้เท่ารู้ทันเพราะว่า ลักษณะของสังขารนี่มันเป็นความบริสุทธิ์นะสังขารมันมีอยู่ขันห้าที่เป็นความบริสุทธิ์นั้นมีอยู่มันเป็นกฎของธรรมชาติมันเป็นก้อนของธรรมะเหมือนกันมันเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยธาตุสี่ที่อยู่ที่ตัวเราเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยอย่างงี้นะแต่ตัวหนึ่งที่เราจะหมายถึง ทำให้ถึงที่สุดของการอยู่เนือขันห้5ก็นั่นหมายถึงว่ามีสภาวะของวิปัสสัญญาหรือว่าตาในตาสติที่มันเติ่นขึ้นมาออกมาจากขันห้าเห็นกายก็ไม่ได้ติดกายอย่างเงี้ยนะกายเจ็บมีเวทนาขึ้นมาเราก็ได้ติดเวทนาเห็ น, นการของจิตที่คิดมันคิดกี่เรื่องก็ตามแล้วก็ปล่อยให้เขาไหลไปตามกฎของเขาเกิดดับเงี้ย มันมีแล้วเนะีของธรรมชาติเกิดขึ้นมาภายนอกนะอย่างมีโยมมากระทบทางตานะมีพระไปกระทบตายโยมอย่างเงี้ยมีต้นเสานะมันจะกร่กมีเสียงจิ้งจกอเงี้ยมีอะไรต่างๆที่มันกตลองปรากฏึ้นมาแล้วก็ได้ยินอยู่รู้อยู่แต่ว่าไม่ยึดนะแต่รู้นะแต่ก็ผ่านนะตลอดมันก็จึงสบายตรงเนี้ยอะมาเชื่อจริงๆว่าตรงนี้มันคือล้นาะของ ผลของจิตที่ฝึกการเจริญสติแบบแนวหลวงปู่เทียนก็คือการเคลื่อนการไหวที่หลวงปู่เทียนท่านไม่ได้ใช้คําว่าเราจเจริญสมถะหรือจเจริญวิปัสนาถ้าไม่ได้พูดถึงว่าจเจริญสมถะหรือจเจริญวิปัสนาแต่ท่านกํนาลังพูดถึงว่าเรากำลังสร้างความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวจึงเป็นจะเป็นสมถะก็ได้ถ้าเข้าไปแนวรมของการเคลื่อนไหวของกาย หรือจะเป็นวิปัสสนาก็ได้ถ้าเราเป็นผู้ดูกายหรือว่าจะอยู่เหนือสมถาวิปัสสนาก็ได้ก็คือตัวซื่ อ, อเป็นตัวสติปัจจานที่มันทํางานตามกลไกของธรรมชาติสติจึงเป็นธรรมชาติที่ไม่พาไปสู่ทางที่เสื่อมสติจึงเป็นธรรมชาติเนี่ยที่ทำให้เราพ้นทุกข์ สติจึงคือธรรมชาติที่เป็นบาดถามให้เกิดศีลทำให้รรเกิดสมาธิและเกิดปัญญาซึ่งเป็นธรรมชาติสูงสุดตัวปัญญาเป็นธรรมชาติสูงสุดจนเกิดการหยุดการแสวงหาทั้งรูปแบบการปฏิบัติแสวงหาครูบาอาจารย์ขนขวายแสวงหาราสกาละนขนไกวาการกินเกียรติต่างๆวัตถุนิยมอำนาจนิยม หรือว่าทุนนิยมสังคมนิยมต่างๆก็ตามมันก็จะมีอิสระภาพอยู่ตรงนี้นี่แหละนะเราก็จึงเหมือนกับว่าไม่พากันนะไปสู่ทางที่เสื่อมในบรรยากาศหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะที่เราเรียกกันว่าสปายะหรือการยนานมิตรเราก็เป็นเพื่อนต่อกันนะที่บอกกันหรือว่าพากันทำหรือว่าการฝึกสติทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบนะ ในสถานที่เป็นนอกสถานทีนะ่วันนี้หลายคนหลายท่านก็จะกลับไปนะก็ใหนะ้ใช้กายเป็นวัดนะแล้วก็จิตใจของเราก็รู้สึกนะเป็นพระผูกกันอยู่อันนี้เรียกว่าทำกรรมฐานได้นะตลอดเวลาก็ขอให้ความปฏิบัติ ด, ดีของเราทั้งหลายนั้นนะการประทับของเราทั้งหลายนั้นก็จงเป็นไปเพื่อการเดินทางไปสู่นะที่สุดแห่งความทุกข์โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนท่าเตือน